ที่พึ่งอันสมสารทรมานมานานยาวหลายหลากมากเรื่องราวทั้งเป็นสุขทุกข์ระทมเพราะพึ่งสิ่งนอกตัวจึงเมามัวในอารมณ์เปล่าได้และงายงมอยู่ในกรอบครอบกลาที่พึ่ง อันทาวรมิแคลนครอนหมดศรัทธาคือธรรมอันสัมมาสร้างสมให้มีในตนอิตเลา อยากจะพูดคุยกับคุณหมอในเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ร่วมของทุกคนเลยกระมังคะคงจะได้มีประสบการณ์ตรงนี้กันทั้งนั้นแล้วสุดแต่ว่าใครเนี่ยเมื่อมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยจะแก้ไขยอย่างไรแล้วก็จะเดินออกมาจากจุดนั้นยังไงบ้างก็เลยจะขอแลกเปลี่ยนกับคุณหมอสักนิดนึงละค่ะว่าคุณหมอกำพลพันชนะเคยเงาไหมคะเคยนะคะค่ะความรู้ส น่าจะเป็นลักษณะออกไปทางเคงว้งคว้างมากค่ะก็อารมณ์ใกล้เคียงกันนะคะเหงาเคว้งคว้า ง, างอ้างว้างโดดเดียวเดียวได้ะตะกูลเดียวกันลคะค่ะเคยไหมคะเคยค่ะบ่อยไหมคะไม่บ่อยค่ะ <laughs> แล้วเวลาเป็นแล้วแก้ไขยังไงคะเดินออกจากอารมณ์ตรงนั้นยังไงคะ้าสมัยก่อ น, นก็ดูหนังฟังเพลงให้ลาค่ะหรือไม่ก็ มันก็หายของมันเองได้ทำงานทําอะไรไปก็มันก็จะลืมๆืมไปคในหน้ขณะนั้นเองเนี่ยบางทีมันก็หาทางออกไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องจมอยู่กับมันน่ะแต่พอผ่านไปชัวงระยะหนึ่งนี่มันเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าตัวมันเองมันก็ไม่เที่ยงเข้ามามันก็ฉุดเราไปเรียกว่าหลงไหลไปกับเรื่องอื่นอีกต่อไปอ่ะก็เลยทําให้เราเราไม่ได้จมปลักในลักษณะที่เรียกว่าข้ามวันข้ามคืนกับมันจริงๆค่ะ เนช่วงเวลาสั้นๆมากกว่าก็สรุปว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตที่คุณหมอกำพลเคยเหงาเนี่ยก็ได้อาศัยการดูหนังฟังเพลงเที่ยวเล่นสนุกสนานเป็นการเปลี่ยนอารมณ์เพื่อให้เราออกจากอารมณ์เหงาตรงนั้นนะคะแล้วต่อมาไปเจอวิธีอะไรที่ดีกว่านี้เหรอคะตอนนั้นที่มันรู้สึกเคว้งขวางเลยเมื่อถึงจุดที่เราเหมือนกับเราสร้างวิมานไว้เนี่ย อากาศนะพอเราเดินถึงวิมานตรงจุดนั้นเนี่ยมันขยับหนีเราไปเรื่อยๆนะครัมันรู้สึกว่าเรากำลังไล่คว้าอะไรสักอย่างนึงที่มันไม่มีตัวตนมันก็เลยเคว้งคว้างสับสดขึ้นมาว่าเอ๊ะชีวิตเอ้มันมีอะไรแค่นี้เองเหรออะไรทำนองนั้นนะรับงั้นพอระยะหลังมาเมื่อเราได้อ่านหนังสือพุทธศาสนาได้เริ่มเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตในระดับคิดนึกเนี่ยนะครมันมีสาเหตุนครั มีปัจจัยของมันอยู่ที่เรายังไม่เข้าใจเรายังไม่รู้เนี่ยนะพอหลังจากนั้นที่เริ่มมาศึกษาพุทธศาสนานี่ก็เรียกว่าตรงจุดนั้นมันก็มันกลายเป็นส่วนเกินหรือว่ามันจุดที่จะถูกปิดไปโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันมีอะไรทานะมันมีงานทํามันไม่ได้ว่างมันมีเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามาเจริญสติเนี่ยนะคาว่าว่างเนี่ยมันไม่มีแล้ะ ไม่มีงานจะทำเลยมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าข้างในของเราเนี่ยเรายัางไม่สามารถที่จะตรดเรื่องหนะรือว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีคาว่าว่างนะนะมันก็ต้องทาแต่ว่ามันจะทำในลักษณะที่เรียกว่าได้ต่อเนื่องขนาดไหน่น<ฆ>เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั้นที่พึ่งประเภทว่า จะเอาอยัางไงดีที่จะออกจากทุกข์อะไรอย่างนี้นะค่ะก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันสมัยที่เรายังไม่รู้อะไรเลยมีการดําเนินชีวิตไปกับโลกนี่เราก็จะพยายามพึ่ ง, ง ก, การศึกษาใช่ไหมฮะถามว่าศึกษาชั้สูงแล้วมันจะเป็นที่พึ่งให้กับเรามีการงานทํางานมีเงิน เราก็หวังว่าสิ่งนั้นจะเป็นที่พึ่งให้กับเราค่ะหรือแม้แต่ว่ามีครอบครัว ม, มีสามีภรรยาพ่อแม่ญาติพี่น้องเราหวังว่าจะเป็นที่พึ่งกับเราคือสิ่งนั้นมันก็เป็นที่พึ่งได้ระดับหนึ่งนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเราลอยไปในน้าเนี่ยเราต้องลอยไปอีกไกล แต่เยาสิ่งที่เราก่ออยู่เนี่ยมันเหมือนต้นกล้วยนะที่ชินีนามันจะไปได้แค่กี่น้ําใช่ไหค่ะเดี๋ยวต้นกล้วยมันก็ถูกเปื่อยเน่าผูพังไปค่ะวันหนึ่งถ้าเรามั่นใจว่าเราจะใส่ต้นกล้วยนี้เดินทางไปถูงทะเลแล้วก็จะขึ้นฝั่งได้เนี่ยเราก็คงจะคิดผิดแต่นี้คนส่วนใหญ่นี่เขาไม่รู้ว่าเขากาลังเกาะต้นกล้วยอยู่เนี่ยค่ะ พอถึงวันหนึ่งที่ต้นกล้วยมันต้องปู่พังไปไม่มีที่ยึดเนี่ยที่ครึ่งอันกระสินที่จะพาเขาขึ้นฝั่งหรือว่าถึงฝั่งออย่างสบายสบายได้เนี่ยถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เรียกว่าพึ่นตื่นหรือบางทีก็ยังไม่ตื่นนะครับยังหลับหลั บ, ลบทุกข์มากอยู่ะก็จะเข้าสู่สภาวะที่ที่ในนาว่ารู้สึกหนาวเลยเนะี่ยค่ะ ก็ที่แลกเปลี่ยนตรงนี้กับคุณหมอเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบๆตัวที่เห็นเห็นเนี่ยนะคะทุกคนก็จะมีอาการเหงาอยู่ในใจด้วยกันทั้งนั้น mm hmm. เหมือนกับว่าอาการเหงาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมากับคนทุกคนเลยหรือเปล่าแล้วก็เลยผ่านให้อยากจะคิดค้นนะคะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเหงาเพราะอะไรคะคุณหมอจริงๆก็ส่วนหนึ่งเห็นเพราะว่า มันไม่เป็นไปอย่างที่เอองคาดหวังไว้อะนะค่ะผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นตรงจุดนั้นหรือว่าสิ่งที่เราปรารถนาแล้วไม่ได้สมปรารถนาเนี่ยมันก็จะมีอาการที่เรียกว่ า, าวพลาดหวังเลยนะพลาดหวังหรือว่าไม่สมปรารถนาหรือว่าแม้แต่ว่าบางทีได้สมปรารถนาทุกอย่างแล้วเนี่ยบางทีมันได้แล้วถึงมันเหมือนปีนถึงยอดเขาเนี่ยมันรู้สึกอ้างว้างมันโล่งไปหมดเลยมันโล่งแบบไม่มีสาระนะแบบว่า ความรู้สึกที่เต็มอิ่มหรือว่าความรู้สึกพอไม่มี <คะ S 2> หรือว่าความรู้สึกว่าหยุดไม่มีความรู้สึกว่าสงบจริงๆไม่มีผมว่ามันก็เป็นทำให้เกิดความรู้สึกข้างว้างหรือว่าความรู้สึกเหนาอย่างนี้ขึ้มนมาได้เหมือนกันมันเป็นตระกูลหนึ่งของของอารมณ์ที่เรียกว่าอ่าอารมณ์ที่ทําให้จิตใจเราเศ้าหมองเรื่องซึมนะเศร้าหมองได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าว่างอ้างว้างแต่จิตว่างอะไรอย่างนั้นนะจริงๆมันไม่ว่างหรอกอาการที่มัน moire งาเศราซึมเนี่ยมันมีความคิดอยู่ตรงนั้นแหละค่ะครับแล้วจะทำยังไงที่จะให้คนคนนึงเนี่ยออกจากความเหงาได้คุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะครับก็อย่างที่เรียนไว้ช่วงแรกนะครับค่ะจริงๆแล้วคําว่าที่พึ่งหันกเกษมเนี่ยมันมีความหมายที่กว้างแต่โดยสาระของคํานี้ก็คือว่าในขณะที่เราเลือกที่จะมีที่พึ่งนะผมเข้าใจว่าทุกคนต้องมีที่พึ่งค่ะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่า เราเยังมีความไม่รู้เรายังมีความมืดบอดอยู่ภายในใจของเราอยู่มากคเพราะฉะนั้นการมีที่พึ่งเหนือก็เหมือนกับการที่เรามีเป้าหมายหรือว่ามีแสงสว่างเอาไว้เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นอุปกรณ์ในการฉายฉายทางนะทางที่จะนําชีวิตของเราเนี่ยออกจากทุกข์หรือว่าอย่างน้อเนี่ยเนี่ยทางที่จะนําเราออกไปจากความ เลวร้ายต่างๆให้ได้คื อ, อนําไปสู่ที่ดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับค่ะอันนี้น่าจะเป็นเป็นที่พึ่งให้เราได้คือไม่นําเราไปสู่ที่ตกต่ำนะฮะค่ะและท้าที่สุดก็คือว่าทางทางนั้นเนี่ยต้องนําตัวเราเองเนี่ยไปสู่ความอิสระจนถึงที่สุดคืออิสระแม้แต่พึ่งอันเกษมมันนั้นด้วยนะฮะแม้แต่เมื่อมีที่พึ่งอันเกษมแล้วเราก็ ต, ต้องอิสระจากที่พึ่งอันเกษมนั้น<ช> ด, <Lit. S 1> ด้วย อ, อย่างนั้นเหรอคะครับ Oh. ที่เพิ่องอันนี้เนี่ยเป็นของใช้หรือว่าเป็นอุปกรณ์ <Okay. S 2> ในเบื้องต้นเป็นเครื่องมือแต่ถึงที่สุดแล้วนี่ก็ต้องเป็นอิสระจากมันด้วยคือ <Okay. S 2> ไม่ได้ยึดถือสิ่งนั้นตลอดไปค <Okay. S 2> แต่ในเบื้องต้นเนี่ยต้องยึดถือไปก่อนนะครับ <Okay. S 2> เป็นยึดถือคําสอนเรื่องของศีลห้าเรื่องของการทําบุญทําทานเรื่องของการภาวนาต่างๆเนี่ย <Okay. S 2> การปฏิบัติที่ต้องอาศัยรูปแบบต่างๆเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือพวกนี้เอาไว้ใช้ นะครับงนั้นเมื่อใช้จนถึงที่สุดนะเราต้องวางเหมือนที่เราเปรยียบเทียบกันอยู่ยินกันอยู่บ่อยๆนะว่าเหมือนเรือนี่นะที่เราใช้เดินข้าทางข้ามฟากเมื่อถึงที่สุดแล้วต้องลุกจากเรือไปนะครับไม่ใช่แบกเรือไปด้วยหรือไม่ก็นั่งอยู่ในเรืออันนั้นนะครั บ, รบแต่ในเบื้องต้นนี่เราก็ต้องอาศัยเรือเนี่ยแล้วก็พาเราไปดังนั้นที่พื้งนงานเกษตรเนี่ย ถ้าเราไม่มีหรือว่าไปพึ่งที่พึ่งอันไม่กเกษมหรือว่าไม่สามารถที่จะ น, นําเราไปสู่ชีวิตที่ดีงามได้เนี่ยผมว่าชีวิตเราจะลาบากลําบากแน่เลยนะคะครับลําบากแน่แน่สรุปก็คือการที่ใจของเราเนี่ยรู้สึกเหงาก็ดีว่าเวโดเดียวว่างว่างก็ดีเนี่นะคะคเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีที่พึ่งครับที่ดีครับที่กเกษมที่ ถาวรนะคะเหมือนกับที่หมออุ้พูดว่าบ้านของใจอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะที่ว่ามีการพาตัวใจกลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านของเราไม่มีเราไม่มีหลักของใจใจของเราก็เลยกวาดแกว่งให้ตัวเองนั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวด้วยไหมคะคุณหมอ ผมว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันนะครับอ๋อเป็นต้นตระกูลเดียวกันอีกขนาดนึงค่ะรากเหง้ามันมาจากที่เดียวกันแต่ว่าปลายของมันนี่บางทีก็อาจจะโผล่สีแดงสีขาวออกมาอ๋ อ, อ, อนะ ผมว่าร้านองมันก็คล้ายๆกันเพราะดูแล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ออกอกาดเรื่องของหลวงพอ่อกล้วยคุณหมอก็เคยไปกราบหลวงพอ่อกล้วยมาแล้วนะคะคท่านเองเพิ่งก็ยังเล่าให้ฟังว่าสบัยที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ยท่านออกเดินทุดงไปนอนป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ไม่กลัวนะคะกลัวค่ะแต่ก็เพื่อไปฝึกจิตของตัวเองอ like ะนะคะคัท่นานบอกกลัวผีหลอกพระใหม่พระใหม่เนี่ยผีชอบหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค mind, ก็เลยมาคิดดูว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ก็ผ่านภาวะ ตรงนี้มาเหมือนกันครับความกลัวนี่กับความเหงาอะไรพวกเนี้ยเขาเป็นตระกูลเดียวกันเลยนะคะ ค, คือพลึกๆแล้วจิตใจที่ไม่มีที่พึ่งที่ดีเนี่ยก็จะเป็นจิตใจที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็จะกวาดแกว่งไปตามอารมณ์ที่มากระทบอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะค่ะผู้สูงอายุเนี่ยหรือว่าผู้ที่เดินทางชีวิตมันระยะหนึ่งยอายุสักสี่สิบห้าสิบปีก็จะเห็นโลก เรียกว่าเห็นภาพของโลกเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยถ้าไม่มีที่พึ่งใจนะะะค่ะเมื่อก่อนนี่ในสมัยที่เขาเรียกว่าอวัยวะยังดีอยู่เนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีที่พึ่งภายในตั้งแต่ระยะต้นๆของชีวิตหรือว่าระยะกลางๆก็แล้วแต่นี่นะครับเขาก็จะมีที่พึ่งทางตาใช่ไหมครับพึ่งตาพึ่งความสุขจากตาค่ะพึ่งความสุขจากหูจากจมูก จากกายสัมผัสจากใจคิดนึกอะไรต่างๆไอ้คิดพึ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันแก่แล้วเนี่ยมันหย่อนสมรรถภาพใช่ไ้มคะมันหย่อนประสิทธิภาพคมันเมื่อแก่ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่สภาวะที่เคยพูดกันอยู่ไม่พ่อยก็ว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างเนี่ยเป็นภาษาที่เราควบคุมจะไม่สารจากการที่ว่าพวกเหงาพวกอ้างว้างพวกอะไรพวกนี้นะ เพราะว่าที่แก่แล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นเพราะว่าหาความสุขไม่ได้นะครับพี่สีน ะ, ะหนาความสุขไม่ได้มันต้องคอยเกาะทางนู้นคอยเกาะทางนี้พอไม่มีที่เกาะมันก็เลยทุกข์ไงฮะทุกข์จากการคิดไม่สมปัติฐานนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะนั้น ประเทศที่เปลยินมากมากนะพัฒนาไปแต่เรื่องของวัตถุคนพวกนี้มาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาไม่มีเป้าหมายใช่ไหมอย่างที่เคยพูดว่าเหมือนไม่มีรากเง่าเลยนะเขาไม่รู้จะเกิดไปะจะเกิดมาเพื่ออะไระมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรพวกนี้ก็เรียกว่าตายจะดีกว่าอืโลกของความอ้างว้างโลกของความห ง, งายเหงาเศร้าซึมเนี่ยนําไปสู่การฆ่าตัวตายเนี่ยได้ง่ายๆ พอเมื่อชีวิตไม่มีเป้าหมายนะเมื่อชีวิต ม, มีเป้าหมายไม่มีที่พึ่งใชแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคุณหมอคะถ้าคุยมาถึงตรงนี้ต้องถามกลับแล้วว่าแล้วในความเห็นของคุณหมอเนี่ยเราควรจะวางเป้าหมายของชีวิตอย่างไรเพื่อให้ชีวิตเนี่ยมีที่พึ่งอันเกษมโดยเฉพาะคนที่ผ่านวันเวลาชีวิตมาพอสมควรแล้วจะได้มีชีวิตบั้นปลายสุดท้ายเป็นชีวิตที่ดี เพราะว่าอย่างน้อยนะในลักษณะของการที่เราเกิดมาเนคนเนี่ย ค, คนส่วนใหญ่นะฮะผมว่าในโลกนี้มีศาสนาคือนับถือรู้ว่าเขาลบศาสนาอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วคสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้เลยก็คือว่าเอาแบบอย่างของพระศาสดาในศาสนาแล้วนะฮะเป็นแบบอย่างคคือมีศรัทธาเป็นพื้นต่อผู้นําศาสนาของตนนะค่ะแล้วก็มุ่งปฏิบัติ ตามคำสอนของท่านเลยนะผมว่าอย่างน้อยเนี่ยโลกเหงาจะไม่กินหัวใจนะฮะโลกเหงาโลกหงอยนโลกเศร้าเนี่ยจะไม่กินหัวใจนะครับคือมีศรัทธาต่อต่อาศาสดาของตัวเองแต่ในะท่าทาของพุทธศาสนาเนี่ยนะก็เช่นเดียวกันก็คือว่าเรามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเป็นแบบอย่างนะครับที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่เรา สามารถปฏิบัติตามคำสอนของท่านได้อย่างสนิทใจเนี่ยค่ ะ, ะถ้าเราทาตามคำสอนของท่านอย่างเต็มที่เนี่ยค่ะรับประกันได้ว่าชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยไม่ไปสู่ที่ต่ำค่ะนะมีสุขติเป็นที่หมายอย่าเป็นอย่างน้อยนะความทุกทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ได้แน่ๆถ้าเกิดว่าเราปฏิบัตินะหรือว่าประพฤตตามคาสั่งสอนของท่านฉะนั้นผมมองว่า อย่างที่เราสวดมนต์กันอยู่จะมีบวชสวดมนต์ว่าเมื่อคราวมีภัยเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่มีที่พึ่งนะก็ไปพึ่งภูเขาบ้างาต่าไม้บ้างเอเจดีบ้างาแม้แต่จอมปวกก็เป็นที่พึ่งได้น ะ, ะอันนั้นเนี่ยผู้ดวงกล่าวว่าไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่เป็นสารณะอันสูงสุดะค่ะถ้าเขาไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยรับประกันได้ว่าเขาออกจากทุกข์ไม่ได้แน่ๆหรอก อาจจะเป็นที่พึ่งชั่วคราวได้เหมือนกันนะเรา<ะ>ปฏิเสธไม่ได้นะว่าสิ่ง<ะ>เหล่านี้เนี่ยเป็นที่พึ่งได้เหมือนกันนะชั่วคราวะนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่พึ่งเงินเกษมจริงๆแล้วเนี่ยต้องอาศัยที่พึ่งที่ท่านว่ากล่าวไว้ว่าคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ะ น, นะครับเป็นที่พึ่งเงินเกษมถ้าปฏิบัติตามนะแล้วก็อาศัยรูปแบบแนวทางที่ท่านสอนไว้แล้วเนี่ยนั่นแหละจะเป็นทางที่นำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ เป็นทางที่นําไปสู่สิ่งที่ดีงามที่ยิ่งขึ้นไปได้จริงๆค่ะเป็นสารณะอันสูงสุดได้เลยอย่างน้อยเรายังไม่เดอนทางถึงจุดที่ท่านมุ่งหวังให้พวกเราไปถึงแต่ว่ารับประกันได้ว่าชีวิตเราไม่ตกต่ําและจะไม่ถูกความเหงาความเศร้าความเสื่อมซึมเนี่ยเกาะกลุมหัวใจของเร า, าจนตายไปนะถ้ายงนั้น ก, ก็ต้องขอถือโอกาสนะคะประกาศเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมนะคะอ่าท่านใดไม่อยากให้ เจ้าความเหงากัดกินหัวใจท่านให้ผุกร่อนไปวันๆนะคะก็มาใช้บริการที่พึ่งอันเกษมกันนะคะคุณหมอครับซึ่งที่พึ่งอันเกษยมนี้มีอยู่แล้วนะคะเรัยิ่งแต่ว่าเราเอากายเอาใจของเราเนี่ยมาฝึกมาหัดมาดัดใจดัดกายของเราเนี่ยให้ได้ประโยชน์จากศาสนาที่เรามีความนับถือศรัทธานะคะรีบสมัครเข้าพุทธบริษัทนะคบะบริษัทพุทธนะครับรีบสมัคร ถ้าเป็นพุทก็เข้าบริษัทพุทธนะคะคถ้าเป็นคริสก็เข้าบริษัทคริสไม่ว่ากันนะคะเข้าบริษัทไหนก็ได้แต่ตัดสินใจนะคะค ร, รีบลงทะเบียนเข้าบริษัทนั้นๆเสียนะคะคเพื่อท่านจะได้มีที่พึ่งอันกเกษมแล้วก็ทําเต็มที่ค่ะคเพื่อไปให้ถึงปลายทางส่วนว่าจะไปถึงปลายทางช้าหรือว่าเร็วไม่ได้เป็นปัญหานะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งความดีงาม แน่นอนนะคะจะไม่บิดไปทางอื่นได้เลยนะค ะ, ะเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์บางท่านเคยกล่าวอไว้นะคะว่าให้เชื่อพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเถอะแล้วทำเต็มที่ไปเลยนะคะรับรองว่าผลเนี่ยจะออกมาดีแน่แล้วก็ ถือเสียว่าถ้าไม่ดีนะคะฉันถ้าไม่ต้องเอาก็ได้นะคะถ้าไม่ดีไม่ถูกใจฉันน่าว่ากันใหม่นะคะก็เชิญชวนกันอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็พูดถึงที่พึ่งเมื่อวันจันทร์ที่คุยกับอาจารย์กำพลทอมุนุ่มก็พูดถึงที่พึ่งอันเกษมก็ได้ยกบทสวดมนต์ที่คุณหมอกล่าวอ้างไปเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเปิดนํารายการนะคะวันนี้คุณหมอก็ได้ช่วยย้าช่วยเตือนกันอีกทีหนึ่งก็ เป็นเรื่องที่ขอฝากแก่เพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมไว้ว่าที่เพื่งอันใดก็ไม่ยิ่งไปกว่าที่เพื่อนอันกเกษมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝากพวกเราเอาไว้นะคะหรือแต่เพียงว่าพวกเรามาช่วยกันเดินตามแล้วก็เดินคนเดียวก็คงไม่สนุกนะคะเราเดินกันเป็นข บ, บวนเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการก่อการดีร่วมกันเลยจะดีนะคะคุณหมอครอย่างน้อยเนี่ยชมรมเพื่อนคุณธรรมก็จะได้ทําหน้าที่เป็นเพื่อนเป็นกันะยะนญยาณมิตร ที่จะเดินไปได้วยกันกับพวกเราทุกคนนะคะ